บัชิรบิรุลา سم ุฮุยฮีย نجعله من قبل سمية <ت ص في ق> โ ر ้ละรับดีอ ا นَ่าจะค ل ณุลีหุ่นและวَ่กานัติมรออาท ا อِ ر ً ا, ا وَقَدْ ب َ ل َ غ ง من الكبائر عيا. قال كذالك قال ربك هو عليا هين. <تصفيق> و َ ق َ د َ خَلَقُكَ مِنْ قَبْلُ و َ ل َ م ْ ت َ ك ُ ب ش َ ي ْ ا قَالَ رَبِّ ل ِ ي َّ قَالَ رَبِّ ع َ ل ِ ي آ ي َ ة قَالَ ya tuka Allah ل َ k ت liman asala asala ya lin َ a َ i y y a Bismillahu rahmanu rahim. Innal h a m ح, ح م د ل ل ه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ม่ยั่ดี a فلا مضللة و م ن ي ض ِ ل ف ل ا, إ ه َ ا د ي َ ة و َ ش َ د أَلا إ ل ا َّ ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل َ و َ ش َ د أ ن م ح م د ً ا ع ب د ه و ر س و ل ه ا ل ل ه م ب ك أ َ ب ح ن ا و ب ك أ م س َ ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و ت و إ ل َ ي ك ا ل ن و ر อาอุบ ل คัลิ ا ل ติลลาฮิตามาติมิ خلق بسم الله اللذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم رضيء بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل วสุอิลคิบริอาอูบิคะมินอันมินอาดับในนารีว่าอาดับบิ ا ل س ل ا عليكم و ر الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาตซุบหรือว่านมาตฟจเยรที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละระขอบคุณอัลลอ์นสซบานูวตาลาที่อัลลอฮ์ให้เราตื่นขึ้นมา อาจจะมีคนปลุกให้ตื่นหรือตื่นเองนะครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะเมื่อคืนนี้เรานอนหลับบางคนนอนไม่หลับก็มีท่านเราต้องขอบคุณที่เรานอนหลับเมื่อคืนนี้ต้องนึกถึงเนี่ย ม, มะเนี่ยมะแปลว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กัเราถ้าหากเราจะนับ นี่ยามะหรือเนี่ยามัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยเรานับไม่ครบเนี่ยมาที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่แหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์ให้มีแล้วก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยนั่นต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้ยการกล่าวว่าอย่างงี้ um อัลลอฮุมมาและกัลฮัมดูวาลาตัสซุกุแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ การสรรเสริญก็เป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮฺมุมม่าละกลฮัมดุวาละกัสุครนี่เป็นภาษาของบรรดาซาลัฟซอละที่เขาขอบคุณอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานอย่าลืมาการอ่านกุรอานนี่นะเป็นนิ้มัดอันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยจับกุรอานเลยก็มี เป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ไม่ค่อได้อ่านกุรานแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้พวกเรานี่ได้มีโอกาสจะอ่านกุรานมาทบทวนกุรานวันนี้อ่านมาถึงสู ร, มรัมัรยัมสูรัที่สิบเก้าแล้วในคัมภีร์คุรานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สร คือเราผ่านผ่านมาก็สิบแปดสูรก็ใช้เวลาสิบเก้าปีแล้วมีข้ามาปีใหม่ในใดเดือนกว่ากว่าสิบเก้าปีปีนี้คนที่นั่งฟังคุรานตัฟซิดวันนี้นะ่ะตายไปเยอะแล้วแล ว, แลวคนสอนก็ทำท่าจะตายอยู่แล้วหนูขอบคุณอัลลอสุบฮานะหูวะตาลานนะที่เราทบทวนคุรานสูรามตรยัม พี่น้องนึกถึงมัตยมกระดนนึกถึงนบีอะไรนะนบีไอซาอะไยฮิสสาลามเพราะอัลลอ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีอยู่สี่แบบด้วยกันนะแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมมาจากดินไม่มีใครโวยวายสักคนหนึ่งนั่งกันเงียบหมดทั่วโลกเจ็ดพันล้านยี่เงียบหมดเลยนะต่อมาครับสร้างฮาวาภรรยาของนบีอาดัมมาจากซีโครง ก็เงียบเหมือนกันไม่มีใคยโวยวายเลยบาท่าตัวเองก็ทําไม่ได้สักทีก็นั่งเงียบหนาดีแล้วแหละแบบที่สามสร้างนาบีอีซาผ่านแม่ไม่มีพ่อโวยโวยเลยฝึกไยังไงอ่ะนึกว่านาบีอีสาเป็นพระเจ้าเจ้านั้นมีอยู่ศาสนาหนึ่งกราบนาบีอีสากันเยอะมากเลยนึกว่านาบีอีซาศักดิ์สิทธ แต่อลัลลอ์ต้องการจะประกาศแบ ช, นชัน ย, ยัยนสุดชันสามารถที่จะสร้างมนุษย์จากดินก็สร้างได้จากซิโครงของอาดมฉันก็สร้างได้นิพานผู้หญิงไม่ผ่านผู้ชายฉันก็ทาได้แต่บางคนโวย อ, อัลลอฮ์ทาไมเป็นเงี้ยหรือว่าไม่นึกถึงอลัลลอ์เลยก็ได้นึกว่านบีอีสซาศักดิ์สิทธิ์กราบานบีอีสซา แอนอ l ลลอฮ์สุพรรณนะ a ์อัตาแหละอีกรูปอีกรูปแบบหนึ่งก็แบบธรรมชาติที่ให้เห็นกันเยอะที่สุดในแบบนี้แหละอะไรนะสร้างมนุษย์มาจากน้ำอสุจิต้องผ่านการนิกะถ้าจะได้ลูกที่ซ้อแรกต้องขอดุบาต้องผ่านการนิกะอย่างนี้เป็นต้นนี่แบบแบบที่สี่นี่เขาเรียกว่าฟิตรตุลลอออีกสามแบบนั้น น บ, บีอีสาแบบหนึ่งอาดัมแบบหนึ่งฮาวะแบบหนึ่งเรียกว่ากุดเรตุลลอไม่ใช่ฟิตรตุลลอเข้าใจนะฟิตรตุลลอแปลว่ากฎธรรมชาติที่อัลลอ์วางไว้ส่วนกุดเรตุลลอความสามารถของอัลลอ์มันเหนือกฎธรรมชาติเองซึ่งมนุษย์คิดไม่ออก แ, แต่อัลลอ์ก็แสดงให้เห็นว่าฉันนี่นะอากุลิชัยอินกอดีรมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณเลาเนี่ยเราอ่านกุรานสุรามาริยมเนี่ยวันนี้มาถึงอายาที่หก น, นะครับดูอายาที่อายาที่ห้าก่อนอายาที่ห้านี่ยคือเป็นอย่างงี้ <c oughs> นบีสัการียาเนี่ยเป็นนบีคนหนึ่งของอัลลอฮ์นะนบีสัการียาเนี่ยเป็นตระกูลของใครวงวานบานีอิสรอออีน วันนี้อิสราเอลยังอยู่นะลูกหลานก่อนี้อิสราเอลอยังอยู่แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรตเท่าไรแล้วเพราะว่าเคยให้เกียรติมามากแล้วเช่นนบีทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มบบนี้อิสราเอลอิสราเอลอิสราเอลอิสราเอลมาถึงคนสุดท้ายก่อนนบีอิมซาอะลัยฮิสสลามพอทีพ่อพอพ่แล้วก็มาอีกอีกสายหนึ่งก็สายนบีอิบรอฮิมนั่นแหละคือนบี มูฮัมหมัดเกิดสายของนบีอ mm ิสมาอินอะลัยฮ <c oughs> ิสสลามอย่าลืมว่านบีอิบรอฮิมมีลูกสองคนอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮากอยู่ทางปาเลสไตน์เนี่ยปาเลสตาน่ะมีลูกหลานซึ่งเป็นนบีนบีนบีนบีนบีมาเยอะมากแล้วก็ส่วนสายของนบีอิสมาอินไม่มีนบีเลยมีนบีอยู่คนเดียวคือนบีมูฮัมหมัดสุลตานุสสลามโวยไอ้ฟังนุนก็โวย ทำไมไปเอาอาหรับทำไมมาเป็นนบีคนสุดท้ายทำไมไม่เอาพวกบรรดาอิสรอเอลอัลลอฮ์ตระกูลเดียวกันน่นแหละก็นบีอิบรอฮิมเป็นพ่อใหญ่ใช่ไหมจะมีลูกสองคนอีกคนหนึ่งอิสฮากอีกคนหนึ่งอิสมาเอนจะนี่มันหลายปีเข้างงพอนานๆเข้างงเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮิมนบีอิสมาเอนนบีอิสฮากนาบีมุฮัมมัดตระกูลเดียวกัน อ้าวเข้าใจนะอ้าวทีนี้นบีสากดียาเนี่ยไม่มีลูกไม่มีลูกทีนี้ครอบครัวของมนุษย์นี่นะของนบีกับมนุษย์มันก็เหมือนกันนะั่นแหละคือเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์กล่าวด้คําพี่์คุณอ่านไว้ในสูรชูรอสรุปนะลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอชาชันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ เพื่อเพื่ออธ so ิบายอายะนี้นะเป็นของอัลลอฮฺยะฮิบูลีมัยยาชะอีน่าจะอัลลเนี่ยให้ครอบครัวได้มีแต่ล right ูกผู้หญิงก็ได้บางคนมีครอบครัวใช่ไหมมีลูกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยมีไหมมีนี่คุณอ่านเล่าเองนะครับอัลลอเล่าเองัวยะฮัวยะฮิบูอัลลาลีมัยยาชะอุซุคูรอ บางครอบครัวอัลลอฮฺประทานให้มีแต่ลูกผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวลูกผู้หญิงไม่มีเลยอย่างคุณเฉลิมล้อมมูดนี่เป็นลูกผู้ชายเลยสองคนใช่ไหมทำดีเลยเอาต่อมาอีกวะยูซาวิยูฮุมซุกซิครอนาวะอินาซาบางครอบครัวอัลลอฮฺมีให้ลูกผู้ชายแล้วก็ลูกผู้หญิงดีใจไหมรอดีใจจังเลย ลูกหญิงคนชายคนหญิงคนชายคนหญิงคนชายคนครอบครัวที่สี่วายาวายาจอันไมยาชาอูอาตีมาที่สีไม่มีลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายเขาเรียกครอบครัวเป็นเป็นหมันมีอยู่สีแบบเห็นไหมการมีครอบครัวการมีลูกนั้นมีอยู่4แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งมีลูกผู้ชายอย่างเดียว แบบที่สองมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวแบบที่สามมีผู้หญิงและมีผู้ชายแบบที่สี่ไม่มีเลยนบีสกริยาถูกแบบที่สี่สภรรยาในเป็นหมันใช่ไมและลูกไม่มีแล้วก็ตัวพ่อตั ว, ต, ว, ต, วตัวนบีเองเนี่ยก็อายุแก่ชราแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่แก่ชราเนี่ยขออุอาต่ออลัลลอ์อยากมีลูกสักคนหนึ่งอลัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้อง เวลานบีนบีสกุลยาขอดัวอ่านาขอดีนะดูคุรานที่ผ่านมานะนะรับบีอินนีขิฟตุลมาวัลิมิวอรอีวกานาติมรอตีอักราฟาฮับลีมิลลาดุมกวาลิยาฉันกลัว ใ, ใครพูดนะอายาที่ห้านะนบีสากดียาพูดว่าฉันกลัวญาติคือน้องของฉันคณาญาตของฉันฉันกลัวว่าคณาญาตของฉันมาถึงตระกูลของฉันตระกูลใครตระกูลของนบีสากดียาคือบาเนอิสรออีฉันกลัวกลัวลูกหลานของฉันเนี่ยจะเป็นยังไงมิวอรออีหลังจากฉันตายไปแล้ว อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ากลัวอะไรแต่นักตัปซิศอธิบายต่อว่าที่กลัวว่าหนึ่งกลัวอย่างงี้กลัวว่าจะทิ้งศาสนาอืม <c oughs> นบีสะกะลิยาเนี่ยที่ขออุทิศต่ออัลลอฮ์อยากได้ลูกสักคนหนึ่งเพราะฉันกลัวว่าญาติพี่น้องฉันข้างหลังฉันหรือข้างหน้าฉันเนี่ยจะไม่เอาศาสนานี่ที่กลัวน่ะกลัวไม่เอาศาสนาสอง กลัวว่ามีศาสนาแล้วนะ่ะมันเปลี่ยนเป็นเอาศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์แท้ๆเนี่ยมันทิ้งแล้วมันเอาความคิดของมันใส่แทนแค่ท่านคัมภีร์คัมภีร์ที่มาก่อนหนะน้าคัมภีร์กุรอานถูกเปลี่ยนหมดอนะ่ะไบเบิลก็ถูกเปลี่ยนอินยินถูกเปลี่ยนเตารอถูกเปลี่ยนของเก่ามีมันมีเล่มเก่าเล่มใหม่เพราะอะไรก็เพราะความคิดของมนุษย์ใส่ไปในคัมภีร์ตรงนั้น ไม่มีอัลสลีเลยยังยังต้นต้นต้นฉบับแบบกูรานเนี่ยไม่มีถูกสารคดีนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดแล้วใครเปลี่ยนกับกัลยุมลายาฮูดีน่ะกับอุลาย า, ลาคริสเตียนนะ่ะสองกลุ่มนี้รวมหัวกันเพิ่มขึ้นมาตัดอันนี้ออกเอาอันนี้ใส่โดยความคิดของตัวเองที่นบีสกุริยากลัวนะ่ะกลัวถูกไหมถูกเลยลูกหลานเขาอร่อยทั้งนั้นคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โ ใช่ไว้เปลี่ยนแปลงคำพีของเขาเองแล้วก็อย่าเอ้าระบบระบบระบบดอกเบี้ยเนี่ยใครนำมาใครยวัวดีทั้งหมดเดินแก้ผ้าประกวดนางงามจั ก, กรวาลทั่วโลกใครทำยั่วดีทั้งหมดอัลลอฮอักบรคุมกำเนิดเนี่ยใครใครใช้วิธีคุมกำเนิดแบบแนบเนียนที่สุดเลยนะ่ะใคร ยาฮูดีและพวกเราก็เดินตามย่อจ่าแชรจ่าเ ช, ชื่อมดุดไม่มีใครคิดท่านคนที่จะคิดก็คือคนที่อ่า น, นอุลแานท่านคนที่คิดอะไรออกโอ้ท่านนี้ถูกหลอกทัานนี้ถูกหลอกก็คือคนที่อ่านอัลกุรอานเท่านั้นแหละถ้าไม่อ่านเรียบร้อยเดินตามนาบีว่าไงนะยาฮูดีกับนัสรอานเนีนะ่ยมันเข้ารู้แย่ yeah. พวกเราอุมมะของนบีมหามันก็เข้ารูแย่ตามกลุ่มยาฮูดีและนัสนสอรนีขนาดเข้ารูแย่ยังไม่รู้สึกตัวเลย <c oughs> ไปรู้สึกตัวกับตอนตายอย่าแหละเจอไม้แต่พดของมาเลยก้าอ้าวฉันทําผิดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺแก้ตัวได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> อาทีนี้ <c oughs> นบีสักกดียาไม่มีลูกขอดวงอาต่อลอให้มีลูกอัลลอฮฺรับไหม รับอ้าวดูนี่ยาริสุนีวายาริสุมินอาลียากูบะผู้จะได้สืบทายาทนายาริสุเนี่ยเขาจะได้สืบทายาทแทนฉันนี่เล่าให้อัลลอฮ์ฟังว่าอัลลอฮ์จ่าฉันอยากมีลูกสักคนหนึ่ง แต่ยังงๆอยู่นะฉันก็แก่แล้วภรรยาก็เป็นหมันจะมีลูกได้ยังไงหรือจะให้ฉันแต่งงานใหม่อีกคนหนึ่งเพืจะมีลูกก็ถามอัลลอฮ์น่ยปรึกษาอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ตอนนี้ก็เล่าต่ออีกมีลูกทำไมยาอัลลอฮ์มีลูกเพื่อยาดิซูนีเพื่อเขาจะได้สืบทอดมรดกของฉันคำว่ามารดกเป็นต้องต้องนึกนะมระดกของบรรดานับีเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือเป็นความรู้ เป็นอะไรนะเป็นความรู้พวกเราตั้งหากมีทรัพย์สิสนมีมรดกที่เป็นทรัพย์สินพวกเรานี่นะทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ท น, นะเพราะว่ามราดกนี่มองเป็นเงินที่ดินสวนใช่หมสวนลุงเหาะสวนลำไ ย, ยที่ดินโอ้พวกเราพวกนัแต่ของนบีเนี่ยคำว่ามราดกก็คืออไลหมูคือความรู้ แค่นันแต่หากเราจะมีความรู้แค่ไม่อยากเป็นอาเลมูลมาอย่างนี้นะต้องการจะให้รักษาศาสนาให้อยู่ในหมู่บ้านเราให้เยอะเนี่ยแล้ก็ต้องขอทูอ้าตอ่อระยะรออยากได้ลูกสักห้าคนเอาไปทํางานศาสนาสักสามคนอีกสองคนเอาไปดูแลธุกรกิจฉันมีที่ดินอยู่พันไร่ก็ขอไปแต่อย่าลืมว่าต้องทําตัวให้เหมือนนบีสักนิดนึง ให้มีลูกเพื่อให้ลูกได้รับใช้งานศาสนาของใครของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแลเหมือนใครเหมือนนบีมุฮัมมัดเหมือนนบีสุกราียาเหมือนนบีอิบราฮีมเหมือนนบีทุกๆนบีเขาขอนะอาอยากได้ลูกเพื่อเอาลูกของนบีเนี่ยมารับผิดชอบด้านบรดกด้านความรู้อัลลอพ์พอมีความรู้เอามาทําอะไรคอดีบุดดี มารับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه ะหานะและยารีสุนีเขาจะได้สืบทอดมรดกนีแปลว่าฉันทำหน้าที่แทนฉันวายารีสุมินอาลยากูและเขารับมรดกสืบทอดมรดกของผู้สืบตระกูลของตระกูลยากูบเลยนะเห็นไ้ยเขาไม่ลืม เขาไม่ลืมตระกูลพวกเราเนี่ยพอถามแชรุร่นแรกๆไม่รู้เชื่ออะไรไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อย่าลืมนะพวกเราคนกรุงเทพเนี่ยเชื้อสายมาจากปัตตานีมาจากปัตปตานีบางคนมาจานาลาที่ว่าก็มีนั่นเชื้อสายเดิมคนโกรทโมเนี่ยตระกูลมาจากปัตตานีแล้วก็มายังไงประวัติศาสตร์ต้องจำด้วยนะ ของอวยัยตรวจจากวัยปะร้อยที่ไหนนะที่ส้นอ่าแล้วก็ไล่มาไล่มาตีมาไล่มานั่นแ่ะตระกูลของมุสลิมในกทมอมาจากปัตตานีแล้วก็คองแสนแสบตงวตะว่าแสนด้วยนะแล้วก็แสบด้วยนะเพราะอะไรนะให้มุสลิมที่มาจากปัตตานีหมายถึงตัวเราเนี่ยขุดตรงนั้น แล้วก็ใช้ใช้พว่อะไปลาใช้มือใช้มือขุดขุดขุดขุดพวกเราลืมหมดแล้วไม่ไม่กี่สิบปีลืมหมดแล้วไอ้ไอที่จำเนี่ยต้องให้รู้อันลำบากนะแต่ต้องขอบคุณเอาล้อนะถ้าตระกูลพวกเราไม่มาจาปตปัตตนีนะกทอมอมีมีมสัสยิดนะเรีองขอบคุณเอาล้อ ด, ด้วย จากปัตตานีนี่แหละมาอยู่ใ น, นกทมมาเป็นทาดขุดคลองแสนแสบเนี่ยนะแล้วก็ดวนี้มีมุสลิมเท่าไหร่มีมัสยิดเท่าไหร่ร้อยกว่ามัสยิดแล้วมีทีวีอยู่4ี่ช่องห้ามดูเลยละเผยแผ่อผิออออสลามของอัลลอฮ์เราไม่ลืมอัลลอฮ์สุภาห์นหัวาตาล่เพราะฉะนั้นนบีสักกะรียาเนี่ยเป็นห่วงวงตระกูลของเขาคือมาจากนาบียะกรุบอะเลฮิสซาลาหนาบียะกรบมีลูกมากที่สุดนะอย่าลืมนะ ลูกเยอะมากเลยอ้าวดูๆขอเล่าเรื่องนบียาคูบนเียนบียาคูบเนี่ยตอนนบียาครูปกล้าจะเสียชีวิตไม่สบายป่วยแล้วอิษฮะดอระยาคูบบัลเมาอิซกอเลลีบันิฮิมาตาบูดูนามิมบะดีเขาเรียกลูกหลานมานั่งกันเป็นร้อยเลยที่บ้านนบียาคูบแล้วก็ถามนี่นบีถามเองนะ มาตาบูดู น, นดี่ยมบารดิหลังฉันตายไปแล้วเนี่ยพวกลูกหลานของฉันที่นั่งอยู่บนบ้านนี้นะจะนับถือใครจะกราบไหว้ใครจะบูชาใครลูกหลานที่นั่งอยู่บนบ้านเต็มไปหมดเนี่ยตอบว่านาบูดูอิลลาฮ์กะว่อิลลาฮ์อาบาอิอบรอฮมวอิสมาอีลวอิสฮกอิลลาวาฮิดาลูกหลานที่นั่งอยู่บนบ้านเนี่ย ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันจะนับถือพระเจ้าของท่านและพระเจ้าของนบีอิบรอฮีมของอิสฮาของอิสมาอินเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพอรับนบียะกรบได้ยินลูกหลานตอบเลยถามว่า น, นอนตาหลับไหมเวลาตายหลับไหมหลับเพราะลูกมีศาสนานี่ไงพี่น้นอง สถานการมีศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครอบครัวใดไม่มีศาสนาต้องขอทุอ่านต่อรอยาอลัลลอฮฺหันมาเรียนศาสนาเธอมาสนใจศาสนาเธอถามว่าจบด็อกเตอร์แล้วเรียนศาสนาได้ไหมง่ายสิที่จบด็อกเตอร์แล้วมาเรียนมาเรียนคุรานมาเรียนทาทิศง่ายน้าดูเลยเพราะเข้าใจดุลยาหมดแล้วอธิบายอะไรปั๊บเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้น ขอบคุณ Allah Subhanahu w a t a l a นะครับอา้าน บ, บียะน บ, บียะกริยานี่ขอดวงมาต่อรอนะยาดีสูนีวะยาดีสูยะกูอยากได้ลูกเอามาสืบทอดทำหน้าที่แทนฉันคำว่าแทนฉันก็คือมาทำหน้าที่สอนศาสนาเหมือนพ่อนะแทนฉันแล้วก็สืบเป็นผู้สืบมารดกหรือตระกูลของยากูเขาไม่ลืม ปู่ย่าตายายของเขานะแบบเราเราก็ไม่ลืมเรามาจะปัตตานีนะ <c oughs> ต่อมาครับว่าจอัหรอรับบีรัติยว่าจอัหรอรับบีรัติยเวลาขอจะอัลลอ์เนี่ยนะให้ได้ลูกให้ขออย่างนี้อีกนะและได้ทรงโปรดทำให้ลูกทำให้เขาเป็นอะไร เป็นที่โปรดปรานแก่พระองค์ด้วยเถิดอยากได้ลูกสักคนหนึ่งต้องเป็นลูกที่อัลลอฮฺทรงพึงพอใจเห็นไหมข้ารำดิลถ้าได้ลูกแล้วอัลลอฮฺไม่พอใจดีปะจะดียังไงนะ่ะได้ลูกมาคนหนึ่งแต่ไม่เอาศาสนานจะดีใจตรงไหนเอาถ้าเรามีลูกสักคนเดียวยกตัวอย่างอยู่คนเดียวอ่ะ ศาสนาไม่เอาถามว่าพ่อนอนนอ น, นอนตาดับนี่พ่อแกขึ้นหกสิบก็เครียดอ่าเมียก็ไม่สบายแล้วตอนนี้ย่อก็ไม่สบายแล้วมีลูกอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ต้องเอลิกอร่อยลูกเราไม่เอาศาสนาเลยนะนามาตย์มันก็ไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาคือพอตอนหนุมน่มๆเราก็อร่อยพอสมควรเหมือนกันตัวเราเองก็อร่อยใช่ไหม อัลลอฮ์ไม่เคยขอทั้งอาเราะยาอัลอออลอฮ์ให้ลูกฉันนมีศาสนามีคุณธรรมรับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยขอขออย่างเดียวให้มันเป็นคนก็พอแล้วนี่พอได้มาอะไรเป็นไงอ่ะตอนนี้เครียดแล้ยลูกไม่เอาศาสนาสุดยู่ก็ไม่มาสุราก็ไม่เข้าเข้าไปแล้วสองครั้งวันอิดเล็กกับอีอะไร <c oughs> อิดใหญเพื่อนมาให้เข้าสุราด้วยนะทางสนามนุ่นแต่เป็นไงอ่ะเครียด พี่ต้องครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนหนุ่มหนะุะที่เที่ยกันล้งยังไม่มีลูกเนี่ยพี่น้องนึกเลยวาอัลลอฮ์ฉันก็ต้องแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวลูกฉันต้องเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่มากเลยถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้นกักเทพคุณอ่านต่ว่าว่าลูกที่ไม่มีศาสนาเนะี่ยมันปวดร้าวแค่ไหนนะยาริสุนีวายาริสุมินอาลิยาคูวะยอัลหูรอบบิรอบีนี่ไงปวดทําให้ ลูกเนี่ยนะเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮ์โดยเถิดของพระองค์โดยเถิดสรุปจะให้ลูกเป็นคนที่ลูกที่อ AH ัลลอฮ์พึงพอใจต้องลูกอะไรลูกที่มีอะไรมีศาสนาละนะรดิยาเนี่ยรดิยอัลลอฮุอันหุอัลลอฮ์ชมบรรดาซัฮาบานะบีอย่าลืมนะรดิยอัลลอฮุอันหุรดิยาในแปลเหมือนกันอัลลอฮ์พึงพอใจ ทำไมอัลลอฮ์ชมสัฮาบะฮ์นบีท่านอบูบักรดิยัลลอฮุอนนาอุมัดริยัลลอฮุอนท่าน ه, ัยนาอุสมานรดิยัลลอฮุอนนาอาลีรดิยัลลอฮุอนูอัลล์พอใจถามว่าบุคคลสวฮาบะฮ์นบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ชมว่ารดิยัลลอฮุอะนนูเนี่ยว่ารดูอะนเขาทำอะไรเขาช่วยงานนบีหมดเลยช่วยงานนบีนบีนบีนบีนบี แลใครที่ขวางนบีขวางนบีขวางนบียกยกตัวอย่างคนที่ขวางนบีเยอะไหมนักธรมเนียเยอะไหมที่เป็นมุสลิมโดยการที่ขวางสุนนะนบีมีไหมเยอะมากเลยอิมัมบางคนประกาศนะใครที่เรียนสุนนะนบีเวลาตายอย่ากให้ตายแล้วฝังกูโบที่มัสยิดของฉันพี่น้องถ้าหากไม่เรียนสุนนะนบีเนี่ย จะให้อัลลอฮ์พึงพอใจได้ยังไงมันไม่มีทางไป้องเพราะฉะนั้นต้องเรียนสุนนะนบีทุกอย่างเลยอ่านน้าหนามาตามสุนนะนบียืนหนามาตามสุนนะนบีอ่านกูอ่านตามนบีไม่นรข่าวของน้ําตามนบีออกของน้ําตามนบีจะแต่งงานนึกถึงสุนนะนบีมีลูกก็เอาสุนนะนบีมากํากับชีวิตทั้งหมดท่านคนที่ขวางสุนนะนบีแต่วอัลลอฮ์จะพอใจไหม เราทำไม่พอใจดูสิคนที่อัลลอฮฺไม่พอใจยาฮูดีอัลลอฮฺให้รวยหมดเลยอนะ่ะแล้วปกครองโลกทั้งโลกเนี่ยยึดอเมริยึดอิรักทําลายยังไม่เลิกก็ตอนนี้เนะ้าจะยรอยหล่อตรงไหนอัลลอฮฺพึงพอใจตรงไหนแค่นั้นพียน้องสังเกตนะมีหูมีตากอมองเราในหูตาสว่างได้แล้วเพราะเรามีคุรานอยู่ในมือของเรานะเป็นทางนําสําหรับชีวิตนะครับเอาต่อมาครับ ทีนี้บางทับซีดอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่านบีละการิยาเนี่ยมีทรัพย์เยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะมีลูกขึ้นมาคนหนึ่งเอาไว้ดูแลงานศาสนาและดูแลทรัพย์สมบัติด้วยอย่าลืมว่าทรัพย์สมบัตินี่นะของเราที่มีอยู่ที่มีอยู่นี่นะถ้าจะดูแลให้ดีเอาคนประเภทไหนดูแลทรัพย์สมบัติต้องลูกที่นี้ศาสนา อางอถ้าท่านเป็นน้องมีไรดยมีรดอรเดือน1น0รอยล้านหรือว่าปี100รอยล้านจะรักษาเงินร0อยล้านให้อยู่กับเราและอัลลอฮ์พอใจ <c oughs> เดินตามสุนนะานาบีทำไงต้องจ่าย z กา a ใช่หรือไม่ใช่ใชพอนบีพูดว่าฮ um ัสซินูอัมวาและกุมบิสกาตท่านทั้งหลายจงรักษาทรัพย์สมบัติของท่านโดยการจ่าย z กา a ที่ถ้าลูกหนึ่งไม่เข้าใจศาสนาจะจ่าย z a k a เหรอ <c oughs> จ่ายไหม ไม่ใจพอไม่ใจนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอาจาดจะเล่นงานเนะี่ยแต่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลูกนบีสกุลียาข อ, อย่าได้ลูกผู้ชายสักคนหนึ่งอัลลอฮ์รับรับแล้ะยังเป็นห่วงอีกนะยะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ลูกฉันเป็นลูกที่มีศาสนาและอัลลอฮ์พึงพอใจเอาไว้ดูแลงานศาสนาและดูแลวัตถุทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาด้วยนะการเป็นน้องต่างหากขอบคุณอัลลอฮ์ ที่เรมีทางนำสาหรับชีวิตของเรานะครับเอาต่อมาครับถามว่าบันิอิสรออีนเนี่ยทินาบีสะกัลียากลัวเนี่ยกลัวเรื่องอะไรอลุลามะเก็อธิบายดีนะั้หนึ่งตาบดีลุดดีนทินาบีสะกัลียาขอตัวให้ไท้ยลูกดีดีสักคนหนึ่งมาดูแลญาติพี่น้องของเขาเองเนี่ยพวกบันิอิสราอีนเพราะเขามีความผิดอยู่สองข้อใหญ่ บันิอิสราเอลนี่นะหนึ่งเปลี่ยนแปลงศาสนาของตัวเองสองก็ตลุลอัมเบียฆ่าบรรดาหนาบีนี่อลัลลอฮ์แช่งหมดเลยนะอุลามาแช่หมดเลยนะ เ, ยนะเพราะว่าคนยาฮูดีหรือบันิอิสรอเอลที่หนบีสักดีอยา ก, กลัวมากก็คือญาติพี่น้องของเขาเองนั่นฆ่าหนาบีออย่างนาบีอีซาเนี่ยใครไม่นคนจับยาฮูดีใช่ไหม จับนบีอิสาแต่จับตัวผิดนึกว่าเป็นนบีอิสาตึงบนไม้กางเขนฝีมือใครยะฮูดีและเป็นไงอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่คนที่คุณตึงไม่ใช่นบีอิสาหน้าคล้ายๆกับนบีอิสาหน้าแตกหมดเลยอ่ะแต่นี้หน้าไม่แตกถ้าไม่อ่านกนูรอาน ถ้ามาอ่านกลออ่านพับหน้าแตกทันทีแค่นั้นวันนี้พี่น้องชาวยัฮูดนีนัสโซนีเนี่ยรับอิสลามกันเยอะเพราะอะไรเพราะมาเจออาย่นี่นะอ๋อนี่เรานี่หลงผิดมืกววานนบีอิสาถูกตึงบนบานกางเขนที่นานะไม่ใช่ฝีมือใครยัฮูดีเองนี่ไา น, นาบีจกลริยาเป็นห่วงหงอย่างนี้นั่นลูกหลานฉันเนี่ยฆ่านาบีลูกหลานฉันเนี่ยเปลี่ยนศาสนา เอาความคิดของมนุษย์ใส่แทนเอาของอัลลอฮ์โยนทิ้งไปพี่น้องนั่งศาสนานั้นมันต้องมาจากอัลลอฮ์เพียวๆผ่านนาบีนั่นเราเรียกว่าศาสนาถ้าไม่ผ่านนาบีไม่เรียกว่าศาสนานะครับเรียกว่าอะไรอะวัฒนธรรมหรือม้แต่ประเพณีปฏิบัติก็เรียกได้เยอะแต่ฮะ <Yeah. S 1> <laughs> นั่นแหละฉะนั้นถ้าเข า, าบังพันผ้าทานนบีเขาเรียกว่าอิสลามหมดเลย อย่งนี้เป็นต้นฉะนั้นเอาขอลูกขอทูอนวอาต่อ a l ให้ได้ลูกที่นี้เป็นมุสลิมแล้วก็รักษาศาสนาของ Allah สุบฮานาฮูวาตาอัลพี่น้อง <c oughs> นบีอากรูปนี่ตายนะนบีนบีอะไรนะนบีจากริยานี่ตายขอเล่านิดหนึ่งตําิหนอธิบายดีก็บอกว่าพี่น้องพี่น้องเวลาที่อนจะตายเนี่ยนะ ขอให้ตายในสภาพที่ดีๆขออ้อาอนต่ออัลลอฮ์นะอย่าขอให้รวยอย่างเดียวอย่าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยรวยวยวยรว ย, รวยถ้ารวยแล้วไม่มีคนมาดูแลทรัพย์สินลูกไม่ดูแลไม่เอาอิสลามมาดูแลทรัพย์สินเงินนั่นเป็นอาสาบกับครอบครัวตัวเองฉะนั้นเวลาตายขอขอด้อาอนให้ตายเขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะตายแบบดีๆตายอย่างนี้ให้ขออย่างนี้ อย่ารอให้ฉันตายในสภาพของคนที่มีอีมาแต่ว่าไฟตานีมุสลิมันให้ฉันตายในสภาพเป็นผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุภาโนวาตาลมามอนาอบุลคาซันคุณเฉลิมตายวันศุกร์ในอินเดียเนี่ยนะอาจารย์ผมเองเนี่ยอาบน้ำอาบท่ า, าเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เสื้อ น้ำหอมฉีดน้ำหอมผู้ชาฉีดน้ำหอมได้ไหมได้จะไปมัสยิดพอฉีดเสร็จแล้วก็เอากุรอานมาเปิดอ่านอ่านสุรยาซี่พออ่านประมาณหกเจ็ดอายะสลบทุบหน้าเสียชีวิตขณะนั่งอ่านอัลกุรอานแบบนี้ก็เรียกว่าตายดีหรือตายไม่ดีตายดีขอร้องอาวตอนล้อให้เราตายแต่สภาพดีๆตายดีไม่มีอยู่สามสี่รายการหนึ่ง ตายขณะที่เราอ่านเลออิเลฮะอิลลอละได้ลูกศรหรือว่าลูกสาวสรหรือพายาศรหรือหลานสอนบอกต่ยอนว่าน <c oughs> il ี่สิเลออิเลฮะอิลลอละแล้วเราว่าได้คนที่ว่าไม่ได้เราเคือคนอสู่บุโขทัไม่เลิกอะโอกาสจะว่าไม่ได้สูงมากอ่ะอ่ะเป็นน้องงงแล้วอ่ะอาตาบุรีอะไรมาเกี่ยวข้องอ่ะก็อลองดูสิ เราทดลองดูสิฉันจะติดยาให้มันตายจนก่าทั่งถึงถึงวันตายจะกล่าวกระลิมบ้างทีได้ไหมกล่าวไม่ได้ลิ้นมันแข็งอ่ะฉะนั้นทิ้งของฮารามไปหมดเนี่ยพออายุห้าสิบนี่ยทิ้งได้แล้วทิ้งทิ้ ง, ท, งทิ้งให้หมดใช่ไหมการจะได้กล่าวกระลิมอ่ะตาฮีเลออิลอลัลอลอห์ก่อนตายได้ข้อที่สองตายขนาดที่คล้องชุดเอแคลมอยู่ไอ้ที่นูน่นอะมะ ก, ก้าน่ะ แบบที่สามตายขณะที่กาลังนมาดอยู่บางคนเนี่ยเสียชีวิตขณะที่ก้มสุดหยุดหลับไปเลยตายดีไหมดีมากมาๆเลยขอทุกอา้าวจอลองให้ตายอยู่สภาพนี้พี่น้องทีนี้ลูกๆเนี่ยถ้าพ่อไปแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วแม่เสียชีวิตแล้วมีอยู่อย่างเดียวนะลูกที่ซอนแลขอทุอาให้พ่อให้แม่ ว่าดูนซาลิฮุนยดาดอุลเลูอัลลอฮฺอักบัดยิ่งใยญ่แล้วก็ซาดะกอตุนยารียริสกีมีบรารดกมีทรัพย์สินมีทําไงให้ถึงพ่อให้ถึงแม่อยู่นอนอยู่ในกุโบบริจาคในพุทธทางของอัลลอฮฺเยอะลูกก็ได้ด้วยพ่อได้ด้วยมะสเสียชีวิตอยู่ในกุโบได้ด้วยนี่ใครพูดน บ, บีพูดเองซาดะกอตุนยารียตุนไปนไหมไปน้อง วัลลดุนซอลิหุนลูกที่ทำความดีพลบนถือพ่อแม่หมดเลยคือนอนอยู่ในกูโบอ่านะเอาล่ะครับต่อมาอายาที่อายาที่เจ็ดนะยาดคาริยาอินนานุบัชชิร์กะบิฮุลามิสมุฮูยะฮียา แล้วนั่งจะเหลือมิ่ง قبل สัมมีอ a ลลอฮ์ยาสคารียาหลังจากนบีสักกรียาขอดุอาจบยาอัลลอ์อยากได้ลูกผู้ชายยาอัลลอ์อยากให้ลูกนันเป็นลูกที่มีศาสนาเป็นลูกที่อัลลอฮ์ซึงพึงพอใจอัลลอ์รับดูอารับอญาณี้อัลลอ์รับดว่อายาสการียาโอสการียาเอย อินนุบัชซิลูกะแท้จริงเราได้แจ้งข่าวดีนูบัชซิลูกะเนี่ยแปลว่าเราได้แจ้งข่าวดีให้ท่านรู้เวลเอาอัลลอฮฺจะแจ้งข่าวดีให้กับนบีหรือให้กับคนเนี่ยส่วนใหญ่จะแจ้งกับนบีทั้งหมดแหละนะผ่านใครอลัลลอฮฺลงมาเองหรือไม่ใช่ผ่านใครผ่านยิบรีหรผ่านมัลาอิกะ อัลลอฮ์ให้มาลายกาลงมาเลยมาหานับีุัเการ์ียาแล้วมาบอกว่าอินน่าหนูบัสชิ่อลูกะฉันเนี่ยแจ้งข่าวดีให้กับคุณนะข่าวดีที่คุณขอก็คืออยากได้ลูกฉันให้เนี่ยบีกูลามินลูกชายคนหนึ่งตั้งชื่อยังไม่ได้ยังไม่ได้ท้องนต่ตั้งชื่อแล้วอิสมูฮูยะฮยาชื่อของเขาวชื่อยะฮยาเห็นไหมพี่น้อง นี่ตรงนี้เป็นข้อคิดทั้งหมดเนี่ยจะตั้งชื่อลูกก่อนขอดได้ไหมได้ตั้งชื่อลูกก่อนภรรยาท้องได้ไหมได้นี่ก็อานตรงนี้อัลลอฮฺให้เจบรีลลงมาให้มาไลกาลงมาบอกข่าวดีกับนบีซักกะริยาบอกว่าอินนานูบัสชลกบบกฉันเนี่ยแจ้งข่าวดีให้ท่านนี่นะดีใจนะคุณจะได้ลูกผู้ชายชื่อยะยาอัลลอฮอักบาร นี่เห็นไหมพี่น้องแล้วก็ต่อมาครับลำน ajaallahu mingkablosamiya ลำน ajaallahu เราไม่ได้ทำให้ใครคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่เคยทำให้ใครแบบนี้ทำให้คุณพิเศษคนเดียวเลยเห็นไหม ครอบครัวอื่นๆตั้งแต่นบีอาดัมมาอัลลอไม่เคยยกย่องใครเท่ากับคุณนี่แหละนะไหมลำน่าจะอัลลอฮมิงกอบลูเราเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครๆนี่นะมีคุณสมบัติอ่ถ้าใส่คุณสมบัตินี่เดี๋ยปไว่ามันเข้าใจง่ายมีคุณสมบัติอะไรเสมอเหมือนลูกของคุณคนนี้ลูกของคุณคนนี้เป็นลูกพิพเศษล่ะฉันไม่เคยให้ใครเหมือนลูกคุณคนนี้ ลูกคนนี่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งคนอื่นไม่มีอา้าวอุลมะอธิบายกันตั๊บเซนอธิบายดีนะมีคุณลักษณะพิเศษหนึ่งเป็นหัวหน้าไซ ย, ยิดันลูกคุณเนี่ยจะไปเป็นหัวหน้าคนดีไ้มเป็นหัวหน้าดีไ้ยดีเหรวักแค่เป็นอิมามนี่กบเงินเดือนพันห้าอันยังแจวเลยนะ ไปน้องอย่าไปมองที่เงินเดือนไอเงินเดือนเนี่ยคนกาเฟสเขาตั้งให้ก็ซอสอมุสลิมเราไม่เดีช่วยดูแลาศาสนานี่ไปน้องให้คนกาเฟสตั้งให้เท่าไรทีแรกเปนห้าร้อยต่อมาขึ้นเป็นพันหนึ่งต่อมาเป็นพันสองคนกาเฟสแต่มุสลิมเราอยู่ในสภาเต็มไปหมดคิดอะไรไม่ออกอ่ะ อนนันการเมืองมันเลยไปเยอะแล้วหนึ่งตั้งลูกให้เป็นอะไรนะให้เป็นหัวหน้ายังไม่พออีกว่าข่าวสูรอเป็นผู้บริสุทธิโอโ์อ๋อพระเอกพรลูกของคุณนี่นะจิตืจียหายานี่นะมีสามลักษณะเด่นๆหนึ่งเป็นหัวหน้าสองเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายคะว่าไม่ทําบาปอ่ไม่แ ก, ก, กะกะ มากินเหล้ากินยาหรือการบ้านันทำดีนะรับรองไม่มีครับอัลลอฮฺจะคุ้มครองดูแลข้อที่สามนบียเป็นนบีด้วยแล้วก็เป็นคนสอนแหละด้วยเป็นนบีมีสีข้ออข้อที่หนึ่งไดเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าอันที่สองเป็นผู้บริสุทธิ์สามเป็นนบีแล้วก็เป็นคนสอนแหละอัลล อ, อัฺนี่อัลลอฮฺอได้บอก ผ่านยิบรีนมาลาอิก้ามาบอกกับนบีสุกตรียว่าลูกคุณก็ดีอย่างนี้พี่น้องนี่เป็นแนวคิดของเราวันนี้ถ้าจะมีลูกพ่อต้องขออุทอายางนี้อยา่ารอขอให้ลูกจะเป็นผู้นั้นสองขอให้ลูกัะเป็นผู้บริสุทธิ์สามขอให้ลูกฉันเป็นอะไรนะเป็นนบีอย่าไปขอพรหมดแล้วนบีออกมาัดจบแค่นบีออกมาัดขอให้เป็นคนซอนแรกพอ่ออ่ให้เป็นซอนแรกพ่อแล้วทำยังไงละ อ๋อ น, นะลำน่จอัลลอฮุมิงก็บป็นดมียเราไม่ได้ทำนะครับให้ใครๆมีคุณสมบัติเสมอเหมือนลูกนะของคุณเนี่ยมาก่อนคือในตระกูลศักริยาเนี่ยไม่ได้ทำให้ให้นบีคนใดมิสอม้อมมซ้ำมิซอมมีสองความหมายความหมายหนึ่งนะชื่อวายะหยาเนี่ยไม่มีในตระกูลของ ของน บ, บันิอิสราออลไม่มีแสดงว่ยายาเยามีความมีเชื่อที่ดีมากเออใครจะมีจะมีลูกนะเอาเอายาเยาไปตั้งก็ได้แต่มันไม่มันไม่เก๋เกๆ๋ๆบันนมีฝรัง่งนิดๆใช่ไหมสาวบอกโก้ดิเอาก็คิดกันไปพี่น้องเอา้า อายาที่เจ็ดนี้นะครับอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีแต่มาแสดงว่าดูอาของนบีประคีญาเ น, นี่ยอัลลอฮ์รับไหมรับตอนนี้มาดูว่าดูอาของพวกเราวันนี้เวลาอัลลอฮ์จะรับดูอาเนี่ยอัลลอฮ์มองที่พารอมกับฮาลานถ้าบาานนาาลาล้านของท่านเนี่ยาา ไ, ได้มาในทางที่ฮาราลเสื้อผ้าของท่านเนี่ยที่เอามาสวมใส่เนี่ยได้มาในทางที่ฮารานที่อัลลอฮ์พอใจ รองเท้าที่คุณใส่เสื้อที่คุณใส่อาหารที่คุณบริโภคเครื่องดื่มที่คุณบริโภคได้จากเงินที่ฮาลานยังไม่พอนะบางคนได้จากเงินที่ฮาลานแต่ไปซื้อของฮารอมมากินผิดไหมไปซื้อเบียมากินอ่ะแล้วมันฮารอมมันฮาลันตรงไหนนั่นแหละเราไม่จะเป็นคนดีแต่นั่นคนที่ขอดวอการและอัลลอฮ์รับใน น, นั้นเ่งใจเราสะอาดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจา แล้วก็เสื้อผ้าอาหารการกินที่อยู่อาศัยต้องสะอาดบริสุทธิ์ขออนุอาต่ออัลลอฮฺอัอลอลอฮฺอลนนะะชื่อจรเหรออ๋อจรนะอ่าชื่อจรอตะนี้นั่นั่นเป็นในในในใ น, ใ น, ใ น, ในภาษาไบาเบิลเานะแต่นี้เราก็ชื่อยาห ย, ยานั่นแหละดี <laughs> นะพี่บอกว่ายายาจรสามกุ้ดีนะอ <st> ้มดีดีอ่าพี่น้องคือเป็นอย่างนี้นบีอิบราฮีมกับนบีนัว้นับนบีรักระียาเนี่ยแตกต่างกันยังไงรู้ไหมนบีอิบราฮีมเนี่ยอยากได้ลูกอีกคนหนึ่งพอได้นบีอะไรนะนบีอิสมาอีลแล้วเนี่ย ก็อยากได้ลูกอีกคนหนึ่งนะชื่ออิสฮากนะห่างกันหลายปีสิบสองปีสิบสาปนะีอยากได้ลูกนบีอิบราฮิมอยากได้ลูกนะไม่ใช่ภรรยาเป็นหมันนะพ่อแก่เมีย ก, ก็แก่สามีก็แก่นบีก็แก่ภรรยาขอนบีก็แก่อยากจะอยากได้ลูกห่วงก็ได้ก็ห่วงสังคมนี่แหละ อยากจะให้ลูกเนี่ยมารับใช้งานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับไหมรับทั้งๆที่แกแล้วนะความจริงคนแก่เนี่ยหมดสิทธิ์มีลูกใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้อายุเท่าไรไม่มีลูกอะ่ะสี่สใช่ไหมผู้หญิงเพ 40, ื่อสี่สิบแล้วจบแล้วประจำเดือนหมดหมดสิทธิ์มีลูกอะ่ะแต่นบีอิบรอฮีมอายุเยอะแล้วภรรยาก็แกแล้วยังมีลูกได้นี่ไงอย่างนี้ไม่เรียกว่าฟิตรตาตุลลอฮเรียกว่าปุตตะตุลลอ ความสามารถของอลัลลอฮ์เหนือกฎธรรมชาติเอามาดูนบีสกเรียาเนี่ยไม่มีลูกนบีสกเรียเนี่ยแก่ชารางอมแล้วภรรยาเป็นหมันภรรยาเป็นหมันน่ะถ้าขอจูบ า, าต่ออัลลอฮ์อัอลลอฮ์รับแสดงว่านี่ไม่ใช่ฟิตรตุลอลอห์เลยเป็นอะไรกุนดารตุลลอห์เป็นความสามารถเหนือกฎธรรมชาติของอลัลลอฮ์เป็นหมันก็มีลูกได้เห็นไหม เนี่ยทําให้หมอหลายคนเอาข้อนี้ไปคิดเออกระกุ้งอ่านชื่อ น, น้ำมาไว้ไงมันก็มีลูกได้แก่ก็มีลูกได้เดี๋ยวไม่ชา้าเถอะไม่ชา้าหมอต้องคิดคิดเออแกแกก็มีลูกได้จะทํายังไงแต <c oughs> ่บางคนในพวกเราถามแกแกก็มีลูกได้ต้องแต่งงานคนที่สองอมีทางออกเมียคนแก่มีปัญหาอภิยามายา์ถึงสามีจะแกกันานานาอายุหกสิบเจ็ดสิก็มีลูกได้ได้ไหมได้ มันมีทางออกแต่เราอย่าไปคิดเยอะคิดตามเอาลอดดีกว่านะคิดเอาคิดว่รอเอาต่อมาครับย่า <c oughs> ที่แปดนะครับกอลรอบบิอนันียะกูอันนายะกูนลีอูเลมวะกานาติมรอติอาเกโร ว่าก็เดบัลลักษ์ตูมินันคีบาริอกติยาขอรับเขากล่าวใครกล่าวนบีสุลติยากล่าวบว่ารับบีข้าแต่พระผูอภิบาลของฉันโอ้อัลลอฮ์่นละรับบีมาถึงโอ้อัลลอฮ์อันนยาคุนุลีกุลัมฉันจะมีลูกได้อย่างไร อัลลอฮ์นี่ถามนะไม่ใช่ค้านนะตรงนี้ไม่ใช่ค้านอัลลอฮ์พอใจในคําที่อัลลอฮ์แจ้งข่าวดีว่าท่านจะมีลูกนี่อัลลอฮ์ล่าใ น, นคัมกุรอานให้ฟังว่านาบีละกียาถามอัลลอฮ์ว่าฉันจะมีลูกได้ยังไงอ า, อาจจะถามว่าจะต้องแต่งงานคนใหม่ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคําตอบก็คือว่าคนเก่านี่แหละไม่ใช่คนใหม่ คือว่าเป็นหมันคนผู้หญิงที่เป็นหมันนี่แหละอลัลลอ์จะให้มีลูกได้โ อ, อนี่แสดงถึงความสามารถของอลัลลอ์สุบฮานหูวาตาลาพี่น้องขอมอ่านตรงนี้ท่านเม่เรานึกอะไรเยอะนะพี่น้องเวลามีปัญหาเนี่ยนะแก้อะไรไม่ออกเนี่ยอย่าไปเครียดอย่าเครียดเอ้ฉันจะแก้ปัญหาของฉันยังไงไปอาบน้ำนามาดก่อนเลยแปลงฟันก่อนนะ มาอาบน้ามารและมาสุญูต่ออัลลอฮ์ขอว่วต่อเราอย่ารอฉันมีปัญหาแก้ปวดแก้ใ ห, pues ให้ฉันหน่อยเพราะอัลลอฮ์กล่าวในคัมีร์อักุรอานให้กำลังใจคนศรัทธาว่างี้ว่ามัยยะตัดตินละฮะยะจัอันละหูมะฮะรยาคนที่กลัวอัลลอฮ์คนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่มีความสำรวมตนต่ออัลลอ์ นึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆนี่นะตลอดเวลานี่นะยะยาอัลลอฮุมัครยาเมื่อมีปัญหาทางตันอัลลอฮ์ให้ทางออก <c oughs> อย่าไปเครียดไปนะอย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปคิดคิดอย่างเดียวจะอยู่อย่างไงให้อัลลอฮ์พึงพอใจในตัวเราฉะนั้นลำยะยะอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่นะเอ่อจะให้ทางออกสําหรับคนที่มีตักวะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุทธาลาที่นี้นบีละกดียาถามอัลลอฮ์บอว่า จะให้ฉันมีลูกได้อย่างไรวากาณติมรอติอาเกตขณะที่ภรรยาของฉันเป็นหมันอาเกตแปลว่าเป็นหมัน อ, อัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันมีลูกได้ยังไงวันนี้พวกเราในพี่น้องนะหลายคนมาหาผมซาบุฟ่าอยากได้ลูกทําไง ไอ้เราบางทีเราก็พูดย้อนแล้วก็เวลามีลูกก็ดูแลลูกเป็นหรือเปล่าโอ้เราที่พูดย้อนบ้างอนะเนี่ยเวลามีลูกก็ดูแลลูกเป็นไหมคิดหนักบางคนดูแลลูกไม่เป็นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นพ่อแม่นะ่ะอะขอคุยนอกสถานการณ์ได้นะจะดูแลลูกเนี่ยดูแลแค่สองอย่างพอนะคิดน้องจําไว้เลยนะดูแลลูกแค่สองอย่างสองเรื่องหนึ่งให้ลูกมีศาสนา สองให้ลูกมีอัครามีนิสัยแบบนบีมุฮัมมัดพอแล้วส่วนความรู้ไปหาจากสถาบันจากองค์กรต่างๆใช่ไหมที่บ้านสอนสองอย่างเลยหนึ่งรักอัลลอฮ์ต้องพูดเรื่องอ AH, ัลลอฮ์ AH, รอยซูลอัลลอฮ์รอซูลนบีใช่ไหมวันเกียร์มาวันตายวันฟื้นต้องคุยให้ลูกฟังเรื่องศาสนาเยอะๆเรื่องอัลลอฮ์อยู่ไหนนบีอยู่ทําอะไร แล้วก็เรื่องมารยาทในการกินการนอนการแต่งกายการเข้าห้องน้าอยู่ในห้องน้ำเอามารยาทอิสลามเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาวันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่อันนี้นะวันเกีย ม, มาหน้าหน้ า, ห น, าหน้าแตกนะเดีย๋ยวลูกก็ย่าอ ก, ก่อนจะเล่นงานจะเล่นงานพ่อฉันก่อนกระมัฉันน่ะไม่ได้สอนอะไรเลยสูพวกกรไม่เคยปลุกอานี้เป็นตน้น กินเบียร์อยู่ในบ้านไม่เปร่ายลูกอให้ให้ชาวบ้านเห็นก็นแล้วกันดูพูดดูพูดอยากให้ชาวบ้านพอที่ชาวบ้านนิ้นทา่าพ่อก็อายอายคนลูกกินในบ้านนี่แหละแทนที่จะห้ามไม่ให้กินต้องพูดอธิบายมันต้องทำหน้าที่อันนี้ให้มันเต็มที่ในพี่น้องนะถ้าจะมีลูกนะต้องลูกแบบนบีสักรียาลูกแบบนบีอิบราฮิมอัลเย์อิสลามนะครับ รีก ا ลรับบิอันยากูนูลีรุละมฆ่าแต่โอ้ล l l a h ฉันจะมีลูกได้อย่างไรวก่านาติมรออาตีอากิดขณะที่ภรรยาของฉันเป็นหมันวก่าเบาัตูและแน่นอนฉันได้บรรลุบรลักตูแปลว่าบรรลุถึงอะไรมีนัลกิบรความแก่ชรา อาตียาเนี่ยภาษาอูดูแปลว่าบะฮดบูล่าแฮแกงอมแล้วผมอ่านภาษาอูดูมาเมื่อเช้านี้เมื่อคืนเนี่ยอาตียาเนี่ยแปลว่าบะฮดบูล่าแฮแปลว่านะกลมชกลมมากแล้วแก่ชร า, าเยอะแล้วเอาคนคนแก่ๆจะมีลูกได้ยังไงพี่น้องแต่อัลลอฮ์ให้มีเนี่ยตกใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีได้ยังไงเนี่ย ภรรยาก็เป็นหมันฉันก็แก่แล้วจะมีลูกได้ยังไงอัลลอฮอักบัรคืออัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าอีญาดุลวาดมิงกะวามินเจ้าจติกาฮาจีฮีละมินรอยดีฮาการมีลูกครั้งนี้นะไม่ใช่ภรรยาคนที่สองนะภรรยาคนนี้แหละที่เป็นหมันนี้แหละฉันจะให้มีลูกได้นี่แสดงถึงความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานะวูวาตาลา น้องเวลามีปัญหาคิดอรไมออกเข้ามาอัลลอฮ์เยอะๆอินชาอัลลอ์อัลลอ์แก้ปัญหาให้นะเอา้าคำตอบของ a, อัลลอฮ์อายที่เก้าอลกากลิกกอลกากะนี่อัลลอฮ์มาได้พูดเองนะมาลาอิกะพูดอัลลอ์ส่งมาลาอิกะมามาสนทนากับนบีสากรียากอลมาลาอิกะมาแจ้งข่าวกล่าวว่า าการนั้นก็เถอะจะคุณว่าภรรยาเป็นหมันจ ะ, ะคุณก็แก่แล้วนางชุนนาเชื่อคุณอ่อนแลว้วก่อนนั้นเลยฉันจะให้มีแล้วก็กอแล้วรอบบูกะฮุวอะไรให้ยินอัลลอฮฺตัดข้างบนผ่านยิบรีนให้ยิบรีนมาบอกว่านี่มาลายกาบอกเองนะกอแล้วรอบบูกะ พระพูดอภิบาลของท่านเนี่ยตัดพูดว่าไงนะฮูวอะไลยะไฮยินมันง่ายสำหรับฉันอลัลลอ์พูดเองพูดบนชั้นฟ้านะครับให้ยิบรีนมาลาอิกะลงมาบอกะบีสากร ر ยาว่านบีไอไอมลาบลาอิกะพูดว่าพระพูดประเจ้าของท่านอาลัลลอ์อยู่ข้างบนนะ่ะสั่งฉันมาว่าไอเรื่องจะให้มีลูก สำหรับคุณแก่ๆอย่างนี้แล้วก็ภรรยาเป็นหมันนะ่ะให้ยินแปลว่าอะไรนะเรื่องกระจกแปลว่ากระจกเข้าใจง่านยนะเรื่องกระจกเรื่องจิกจ้อยอัลลอฮ์เนี่ยสอนเรื่องอารติดาสอนเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้กับเราให้ยินเล็กน้อยอา้าวอัลลอฮ์ยิบรินอ่านต่อไปอีกว่าก็ขอลักตุกะมิงก็บลู และแน่นอนฉันไม่ได้บังเกิดท่านมาก่อนคุณอมก่อนมีอะไรเ ต, ตือนเตือนอม่อน อ, รร อ, อ ม, มก่อนคุณมีอะไรสักริยาเอ้ยคุณใครสร้างอัลลอฮ์สร้างมาเมืกอนคุณมีอะไรคุณไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพอน้าอสุลิบุกการในมดลูกเกิดคุณขึ้นมาทําไมอัลลอฮ์ทาได้อะ ถ้าจะให้ลูกกับคุณสักคนหนึ่งนะมันเรื่องง่ายนิดเดียวเรื่องกระจอกเรื่องจิบจ้อยโอัลลอฮ์นี่ทำให้เราอิมานเพิ่มโอโลัลลอฮ์แนมีปัญหาคุยกับอัลลอฮ์อัลล์ลจา้ออจาอัลลอฮ์อัลลอ์จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะ่ะเล่าไปผมฟังอะ่ะเขาอยากแต่งงานมาสิบปีขอทุอลัอลลอฮ์คือก่อนที่จะขออัลลอฮ์เน่ชายวิชามาน วิชามานอธิบายไงชายเลยนะใช้วิชามานชายส่งเสตชัยทุกอย่างนะใช้ความสวยใช้การทาลิปสติกการแต่งตัวสวยๆรัดๆ ร, ร, รูปรูปเดินเจี๊ผู้ชายฉันไม่เล่นด้วยมันไม่รู้เรื่องด้วยโชก็ามาจะเกินไม่สําเร็จเส้นตาเส้นใจวิชามานเลิกไม่เอาฉันเข้าหาอาลัลลอฮ์ดีกว่านั่งเครงบินไปทําอุลลอฮ์ที่มักกะ หมดไปต้องมีมีมารอมไปด้วยกนะ็หมดเป็นแสนึงไปเดินตะว่ากาว่าอัลลอฮฺจ๋าท่านอยากได้ผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นสามีไปเดินตะว่านาันึ่งคี่รอบกี่รอบก็อัลลอฮฺจ๋าอัลลอฮฺจ๋าอยู่นี่แหละพอ ก, กลับมาบรรจุสักสามสี่เดือนได้หนึ่กะกับคนที่ระวังนี่แหละขอโทศษส์มาหาผมจานเรียบร้อยแลย้ว ที่เอาเห็นอย่างเพื่ใครอัลลอ์ความสามารถของตัวเองมันจำกัดืางทีมันคิดอะไรไม่ออกฉะนั้นเพื่อใครพึงอัลลอฮ์สุพรรณอะไรอัลลอฮ์ช่วยมดไม่มีปัญหาแต่บางคนพออัลลอฮ์ช่วยแล้วลืมอัลลอ์อีกแล้วนี่นนิสัยของพวกเราพอได้ดีลืมแต่ตอนลำบากก็คิดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋านั่นแหละเอาต่อมาครับวก็ดชอลก ตูการิงกอบเบลและฉันเนี่ย <c oughs> ได้บังเกิดท่านมาเนี่ยนะนะเราก็ต้อขอรักตัวกับฉันเนี่ยได้บังเกิดท่านมาเนี่ยนะ <c oughs> มิงกอบเบลูวันลัมตากูเชีและท่านเนี่นะยังไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสักอย่างหนึงไม่มีตัวไม่มีตน ฉันก็สร้างขึ้นท่านขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าจะให้ลูกท่านเนี่ยก็ น, นี่มีตัวมีตนด้วยนะมีแม่นะไหมมีภรรยาเป็นหมันแล้วคุณเป็นสามีมีตัวมีตนนะแต่ผ่านผู้หญิงที่เป็นหมนันท่านทำได้ไหมได้แล้วก็สร้างคุณมานะ่ะคุณไม่มีตัวตนเลยนะอ้ะาวไข่นบีอาดา ม, มีตัวตนไหมเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอาร้อสร้างมาจากไดดินสร้างทวามีตัวตนไหมไม่มี สร้างมาจากอะไรสิโครงสร้างนาบีอิสราผ่านแม่จะมีตัวตนแต่จะขาดพ่อใช่ไหมอัลลอฮ์ให้มีได้อ่ะจะมีนตนต้นแค่นั้นนบีสักริยาใหญ่ไปคิดอะไรเยอะโลอลขุนพลนาบียังคิดฉันจะมีลูกได้ยังไงอ่ะยิ่นพวกเราวันนี้นะอลอรแก่แก่จะมีลูกได้นะงงอเอ๊จะมีลูกได้ยังไงเนี่ยถ้าอัลลอ์ะจะให้มีนะอัลลออักบันมันง่ายมากเลยัอัลลสุบฮา น, ววนาอูวาตาอตอมากับ เขาบอกว่าขอเล่าพระบุคคลหัวหัวขาบอตั้งลิกอามบิลอัสบับบิลอาสบับโดยมีเหตุและไม่มีสาเหตุมีสามีมีเหตุมีภรรยามีเหตุอัลลอฮ์สร้างมบีอาดัมมาไม่มีเหตุเลยอยู่ๆอัติบมาสร้างไม่มีเหตุน่ะอยังจะมีลูกก็มีพ่อมีแม่แค่เป็นหมันอย่างเดียว ยากง่ายัหมง่ายมากสำหรับอัลลอฮฺสุบัยนบูร์วาตาลอายะสุดท้ายก็อายะที่สิบนะครับกอ <c oughs> ลาบบิจอลลีอายะ <c oughs> นบีซักรียะกล่าวว่าร็อบบิพระผู้อัยบ a n ของฉันเอ๋ยอิยาลีอายะได้โปรดกำหนดสัญญาณแก่ฉันทำสัญญาณบอกสัญญาณแก่ฉันว่าพระยาของฉันทองแล้วนะ หรือจะมีลูกแล้วนะั่นมีสัญญาณอะไรบ้างให้ฉันได้มั่นใจหน่อยเชื่อนะเชื่อแต่ไม่ค่อยมั่นใจพูดเหมือนใครพูดเหมือนนบีอิบราฮีมมาลาฮิลามมีสองนบีที่พูดอย่างนี้อลัลลอฮ์ให้เห็นสัญญาณหน่อยจะได้มั่นใจเช่นนบีอิบราฮีมบอกว่าอาลีนีไกฟะตุฮิิลม า, ตาุตโออัลลอ อัลลอฮ์เนี่ยทำให้สิ่งที่ตายมีชีวิตชีวาขึ้นมานะ่ะทํำยังไงให้ให้ฉันเห็นหน่อยอลัลลอฮ์ถามว่าอาฟารัมตุนิคุณยังไม่เชื่อฉันนี่เลเชื่อนะ่ะเชื่อแต่ใจยังไม่สงบให้เห็นสักครั้งหนึ่งได้ไหมอัลลอฮ์บอกได้อา้าคุณเอานกมาเอามาเลี้ยงให้เชื่องแล้วก็เชือดมันแล้วก็สับให้มันละเอียดแล้วก็เอานกสี่ตัวนี่ไปวางบนภูเขาหนึ่งสองสามสี่ ถ้าคุณเรียกมันมาเนี่ยมันจะบินมาไม่ใช่บินมันจะเดินมาหาคุณเาลาทำได้พบบระนบีบรหิมทำอพอแล้วพอแล้วพอวน บ, บีักติยาเขาเหมือนกันอยากรอจะให้ภรรยาฉันมีคันให้ฉันมีลูกนี่อิาลีอายะโปรดกำหนดสัญญาณแก่ฉันว่าภรรยาของฉันตั้งคันนะมีสัญญาณอะไรบ้าง อย่างพวกเราก็มีแพทองใช่ไหมแต่สัญญาณของอัลลอฮ์ไม่เหมือนใครดูสิอันต่อไปกอลายะตูกะพระองค์ตัดว่าสัญญาณของท่านก็คืออัลลาตุกันลีมานาสะเจ้าท่านต้องไม่พูดกับผู้คนมันจะแพทองใช่ไหมคุณไม่พูดกับคน นี่เป็นสัญญาณให้รู้ว่าภรรยาคุณเนี่ยครอบครัวคุณนี้จะมีลูกนะไม่ใช่แพร่ทองพราะผู้ชายบางคนแพร่ทองแทนเมียมีไหมนี่อกเอกี้ยวักอกอกกตนั้เลยเป็นเดือนกว่าจะหายแต่อันนี้ไม่ใช่สัญญาณก็คือคุณจะมีลูกอัลลาตุ ก, กันลิมันนัสคุณไม่พูดกับผู้คนสามคืนแต่ตรงนี้พูดว่าสามคืนเนี่ย ซาลาซาลายาลินสามคืนสามไนนะแต่อายาอื่นพูดว่างไงนะอัลลอฮตุกัลลิมา น, นาสาซาลาซาตาอายามินซุราะอื่นว่าสามวันจะนั้นจะเป็นสามวันหรือสามคืนมันก็คือวันเดียวกันนั่นแหละจะเรียกกังคืนก็ได้กังวันที่กครอานสอนนะครับเอาตัมาครับ อัลลอฮทุกันลิมันนซซลาซลายลินซวิยาซวิยานี่แปลว่าร่างกายของคุณสมบูรณ์ที่คุณไม่คุยกับคนเนี่ยสามคืนหรือสามวันนั้นร่างกายของคุณสมบูรณ์ไม่ได้เป็นใบนะไม่ใช่นะทำไมอัลลอฮจึงกล่าวว่าซวิยาตรงนี้เพื่อไปลบล้าง ความเข้าใจผิดของพวกพี่น้องชาวยหูดีกับคริสเตียนในหนังสือไบเบิลเนี่ยอธิบายบอกว่าในในในในในขาไบเบิลอธิบายว่าคัมภีร์อินยีนบอกว่านางเป็นใบ้อยู่สามวันภรรยาของนบีสกัดรียาเป็นใบสามวันอัลลอฮ์ไม่ให้พูดเป็นความเชื่อของกลุ่มพี่น้องคริสเตียนทั้งทั่วทั้งโลกเลย แต่กูอานมาลบล้างบอกไม่ใช่อะคิดาดาพิษที่ถูกสาววิร่างกายสมบูรณ์แต่ที่ไม่พูดเพราะอาลัลลอฮฺสั่งไม่ให้พูดก็ไม่พูดงี่เป็นต้นไปต้องครับกอ่านนี่มาทําลายอะคิดดาของชาวพี่น้องที่มาก่อนหนะ้าพวกเราพิษพิษเยอะในกัมพีตะลอกอินจินนพี่น้องที่นนะทเขาเขาผลิตเกิดขึ้นมาใหม่นะสังไร้สังขยาณาขึ้นมาใหม่พิษเยอะ กูอานก็นมาค่อยๆลบล้างทีละอายะทีละวักคยเรียนไปศึกษาไปกอดจะรู้อิสลามเพิคืขึ้นเาตัวลงว่าสัญญาณก็คือไม่ให้พูดกับคนกี่วันสามวันนี่เป็นสัญญาณซึ่งไม่มีใครทำนะไม่มีใครเรียนแบบได้เลยเอาพวกนี้ไม่ใครเรียนแบบไหมไหมไม่มีนี่แบบของอัลลอฮ ผ่านนาบีสากดียาไม่ให้พูดกับสามคนคนจะมีลูกธรรมดามันต้องแพทองใช่ไหมอันนี้ไม่มีอัลลอฮ์เลยห้ามอยู่เเนี่ยขอบคุณอัลลอ์สัญญาของอัลลอ์ไม่เหมือนใครเราต้องขอบคุณอัลลอฉ์นั้นมุสลิมอยู่บนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันต้องมีอะไรไม่เหมือนคนกาเฟสมันต้องไม่เหมือนคนกาเฟสอย่าทำตัวเหมือนคนกาเฟสอย่าทาตัวไปน้อง จะเป็นอะไรก็ตามอย่าลอกเรียนแบบคนกาเฟตมาไว้ในบ้านเราไม่เอาเราต้องเอาลอดแลารซูยุดนบีละกฤษยานบีอิบรอฮนบีมฮัมมัดดีกว่าเรีอนแบบคนกาเฟตในบ้านเราวันนี้นะครับสุภานักละอมาอวมดีครับอสลามุอะลัยกุมรห์มบตุลลอฮ์เกตุ